เรื่องนิครนพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารบพวกนิครนความพิสดานว่าวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายเห็นพวกนิครนแล้วต่างสนทนากันว่าพวกนิครนที่ปกปิดอวัยวะข้างหน้าเห็นจะเป็นผู้มีความละอายอยู่บ้างน่าจะประเสริฐกว่าพวกชีเปลือยไม่ปกปิดโดยประการทั้งปวง พวกนิโครนได้ฟังคำนั้นแล้วกล่าวว่าพวกเรายอมปกปิดเพราะเหตุนั้นหาไม่ได้เราปกปิดเพราะเหตุคือละอองฝุ่นทุลีนั่นอย่าตกลงภาชนะพิกษาเพราะทุลีเป็นของเนื่องด้วยชีวิตตินสีดังนี้แล้วโต้ตอบวาทะกันภิกษุทั้งหลายไปเฝ้ากราบทูลพระสาสดาทรงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าผู้ละอายในสิ่งอันไม่ควรละอายไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอายย่อมมีทุกติเป็นที่ไปดังนี้แล้วจึงทรงภาสิทธิพระคาถาว่าสัตว์ทั้งหลายละอายเพราะสิ่งอันไม่ควรละอายไม่ละอายเพราะสิ่งอันควรละอายสมทานมิจฉาทิฏฐิย่อมถึงทุกติ ในการจบเทศนานิครนเป็นอันมากมีใจสังเวทแล้วบวชเทศนาสำเร็จประโยชน์แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แหละ